มวนที่สองท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็มาว่ากันบทเรียนรับประถมสมโพธ์ต่อในปริเฉตที่สามว่าด้วยคับพานิคมะปริวัตในปริเขตนี้ว่าด้วยตอนที่ การเสด็จออกหรือการประสูติจากพระคันของพระพุทธของพระมารดาแห่งพระโพธิสัตว์หรือเจ้าชายเสื้อถากุมารจำเดิมแต่การก่อนอาสารหะปุณณมีเจ็ดวันมหาชนชาวกรุงกบิลพัฒน์ก็ได้จัดงานมโหสพ ในวันเพ็ญเดือนแปดอย่างมโหลานประชาชนพากันเล่นมโหรสพทั่วประเทศเช้าวันนั้นพระนางเจ้าสิริมหามายาราเทเทวีได้ทรงในตอนเช้านั้นก็ในตอนเช้าก็ได้ทรงโ ส, สรสงน้มหอมสิบเอ็ดกระออมด้วยกันแล้วทรงบริจาคมหาสาะมหาทานด้วยทรัพย์ สี่แสงกะหาปณะเนะสวยโพชนาหารอันประนีตแล้วทรงอธิษฐานสมาทานอุโบสถทศีนในตอนค่ำคืนนั้นก็เข้าสู่ที่บรรทมอันเป็นมงคลสิริสายญาติเหนือบนระแท่นสู่นิทราลมในเวลาเวลาตรี ประ จ, จุสมัยใกล้ลุงก็ได้ทรงพระสุบินนิมิตก็คือฝันไปว่าท้ามหาราชทั้งสี่ได้มายกพระองค์ไปพร้อมทั้งพระแทน่นบรรทมได้นำไปยังป่าหิมพานแล้วประดิษฐานไว้บนแผ่นมโนศิลาภายใต้ต้นลัง แล้วก็มีนางเทพธิดามาอัญเชิญสเสด็จไปสงง้มในสะอนโนดาดแล้วก็นำผ้าทิพย์มาถวายให้ทรงผลัดประดับประดาพระกายด้วยดอกไม้ทิพย์ที่ใกล้สะอนโนดาดนั้นก็มีภูเขาเงินลูกหนึ่งมีวิมานทองอยู่บนภูเขานั้น และในที่ใกล้ในที่ใกล้ภูอ่ามีวิมานทองอยู่บนภูเขานั้นเทพธิดาจึงได้เชิญขึ้นไปยังวิมานทองแล้วก็ให้บรนทมหันพระเสียรไปทางทิศตะวันออกและในที่ใกล้แห่งภูขงเขาเงินนั้นก็มีภูเขาทองอยู่ลูกหนึ่งมีช้างพผือกผู้เชือกหนึ่งเที่ยวอยู่บนภูเขาทองนั้นพยาช้างนั้นก็ได้ลง มาจากภูเขาทองขึ้นมาสู่บนภูเขาเงินด้านทางทิศเหนือก็ชูงวงจับดอกบัวขาวแรกแย้มมีกลิ่นหอมละลื่นแล้วก็ส่งเสียงโกลจนาเดินเข้ามาในวิมานทองอันเป็นที่ประทับอยู่ของพระนางเดินเวียนขวาสามรอบและปรากฏเป็นเหมือนว่าเดินเข้าไปสู่พระอุทธรของพระนาง โดยเข้าไปทางขวาขณะที่พระนางทรงพระนิมินนั้นก็เป็นในระยะใกล้ลุ่งของราตรีในวันขึ้นสิบห้าค่เดือนแปดซึ่งเป็นขณะเดียวกับที่พระบรมโพธิสัตว์ด้เสด็จจุติจากสันดุสจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาปฏิสมธิในพระครบโธท กจึงได้เกิดปูพานธุมิสามสิบสองประการคือการที่มีเสียงกรึ ก, กล้องแผ่นดินไหวทั่วไปจนถึงระเบียบทองแถวแห่งทงทิพย์ปรากฏเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมือนโลกธาตุมีพันะโอภาษ์อันเป็นที่มหัศจรรย์ซึ่งเป็นการพลนากรธรรมดาซึ่งจะเกิดขึ้น แก่พระโพธิสัตว์ในขณะที่ปฏิสนธิในพระคันของพร ะ, พระมารดาท่านในเวลารุ่งเช้าพระนางเจ้าสุริมหามายาราชเทวีนั้นก็จึงได้กราบทูลเล่าถึงพระสุบินของของพระนางให้แก่พระราชสวามีคือพระเจ้าสุโธธนามหาราชพระเจ้าสุโธธนามหาราชนั้นก็จึงได้รับสั่งให้หาพรามณ์ผู้ใหญ่ จำนวนถึงหกสิบสี่ท่านด้วยกันเข้าเฝ้าครูธรรมนายพระสุบินนิมิตพระทั้งหลายก็จะได้กราบทูลพยากรณ์ว่าพระสุบินิมานิมิตนั้นประเสริฐนะักพระโอรสในพระคันนั้นจะเป็นบุรุษมิใช่สตรีและก็จะเป็นอัครบุรุษที่มีอนุภาพมากหากดํารงอยู่ในคารวะวิสัยก็จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ หาสเสด็จออกบรรพชาก็จะสาเร็จจะสาเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแน่แท้พระเจ้าสุริสุโธทนะก็จึงได้ทรงทราบเท่นนั้นแล้วก็จึงทรงพระปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานเครื่องบำรุงพระคันและให้มีการอภิบาลบำรุงธนุถนอมพระอัครมเหสีเป็นพิเศษ เพื่อให้พระมเหสีนั้นมีความสุขสมบูรณ์ทุกอิริยาบถเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ลงปฏิสนธิในพระคันของพนางเจ้าสีมามหายาแล้วนั้นเท้าจาตุมหาราชทั้งสี่ก็คือเ ท, าท้าทศรถผู้รักษาอยู่ทางทิศตะวันออกของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช เท้าวิรุณหกรักษาอยู่ทิศตวันตกอันอยู่ทิศใต้ท้าวิรูปักก็รักษาอยู่ทางทิศตะวันตกและเท้ากุเวนหรือเท้าเวสสวรนั้นก็รักษาอยู่ทางทิศเหนือซึ่งทั้งสี่ท่านนี้เรียกว่าเจตุโลกบาลคือผู้รักษาโลกทั้งสี่ทิศก็ได้ลงมาถวายอาราขาห้องพระบรรทมทั้งสี่ทิศ และจากนั้นแล้วชาวจะตุโรคบาลหรือท้าวมหาราชทั้งสี่ในหมื่นจักรวาล น, นั้นก็ลงมาคอยอภิบาลตั้งแต่ประตูพระบรรทมตราบจนถึงขอบจักรวาลท้าวมหาราชทั้งสี่ก็ได้แสแดงตนให้ปรากฏแก่พระราชเทวีนั้นเหมือนกับว่าเป็นพระมหามหาเล็กที่คอยเฝ้าและเข้าข้างนอกข้างในออกในพระราชวังได้ พระนางเจ้าสิริมหามายานั้นก็จึงมีพระทัยยินดีต่อพวกเท้าเจตุโลกบาลนั้นตั้งแต่พระนางเจ้าสิริมหามายานั้นทรงพระครันขึ้นแล้วมิได้มีพระทัยยินดีในบุรุษเลยแม้แต่พระราชสวามีของพระองค์เองทรงรักษาศีลห้าบริบูรณ์บริสุทธิ์โดยอธิษฐานสมาทาน ศีลด้วยพระองค์เองซึ่งอันนี้เป็นหลักธรรมดาพระนางเจ้าสิริมหามายา น, นั้นในการก่อนได้สมาทานศีลจากผู้ที่ทรงศีลแต่เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ปฏิสังขิตในพระคันแล้วพระนางก็อธิษฐานสมาทานศีลด้วยพระองค์เอง เพาะเหตุที่ว่าไม่สมควรที่จะเป็นอนั่งสมาทานณเบื้องบาทของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันนี้เป็นหลักธรรมดาของพุทธมารดาในเวลานันกษัตริย์ทั่วสากลชมพูทวีปเมื่อทราบข่าวและก็เดชทรงสแสดงความยินดีส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายเป็นอันมากเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นอยู่ในพระครันของพระราชมารดานั้น พระคัระราชมิดมนดาแมนดานั้นก็มีปรากฏว่าเป็นที่คับแคบเหมือนกับคนอื่นๆพระโพธิสัตว์นั้นทรงประทับอยู่ย่างผาสุขซึ่งเป็นเหมือนเตียงทองกว้างถึงสิบสองศอกหรือเหมือนเท้ามหาครมอยู่ในวิมานแก้วพระวรกายนั้นก็ไม่ดิปเปื้อนไปด้วยสิ่งปฏิกูลพระราชมัรดานั้นก็ไม่เหน็ดเหนื่อยหรือหนักพระอุทธร์มีพระวรกายเบาเป็นปกติ ทั้งสามารถที่จะทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์เหมือนกับเห็นเส้นด้ายเหลืองอันลอยอยู่ในแก้วมันนีอันบริสุทธิ์แต่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นมิไดสไ้สามารถที่จะเห็นพระราชมารนดานได้พระนางเจ้าสลิมหามายาราชเทวีเมื่อทรงพระคันธครบถ้วนทศมาสก็คือสิบเดือนก็มีพระประสงค์ที่จะเสด็จไปเยี่ยมกรุงเทวทหะ อันเป็นชาติภูมิของพระองค์จึงได้กราบทูลพระราชสวามีพระเจ้าพระเจ้าสุโธธนะมหาราชก็ทรงอนุญาตแล้วก็มีรับสั่งให้ตกแต่งถนนหนทางเสด็จสำหรับเสด็จนั้นตั้งแต่กรุงกบิลพัทจนถึงกรุงเทวทหะครั้นถึงเวลาเช้าแห่งวันเพ็ญเดือนหก บนางาเจ้าสรีมหามายาจึงกราบธูลาพระราชสวามีพร้อมด้วยบริวาร น, นยศอันยิ่งใหญ่สเสด็จออกพระนครจากพระนครกบิลพั์ไปตามเส้นทางที่กำหนดโดยพระโดยสเสด็จโดยพระเสลี่ยงทองไปขั้นสเสด็จถึง อ, อุทยานลุมพินีวันซึ่งตั้งอยู่ระหว่างพระนครทั้งสอง คือนะ ก, กกกบิลพัทกับกรุงเทวทหะแต่ค่อนจะใกล้ไปทางกรุงเทวทหะพระนางเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ไม้นานาพันผลิดดอกออกช่อส่งกลิ่นหอมละลื่นทั่วทั้งป่าฝูงนกต่างๆก็ส่งเสียงร้องและครูขันไปเลา ะ, ะยิ่ง น, นะหน้าที่นั้นก็มีลำธารและห้วยละหานน้ำใสสะอาดไหลผ่านไปหลายสาย อากาศก็เย็นสบายยิ่งนะักพระนางจิงใครที่ปรารถนาจะเสด็จเที่ยวประพาสป่านั้นอัมมาทั้งหลายก็จึงได้เชิญเสด็จแวะจากคนทางเข้าไปประพาสป่าตามพระประสงค์เมื่อพระนางเสด็จออกลงจากพระราชยานคือวอทองหรือว่าพระเสลี่ยงทองนั้นก็เสด็จ ดำเนินชมป่าชมเขาไปตามลำดับเมื่อเสด็จลาดําเนินไปจนถึงใต้ใกล้ต้นหลังใหญ่ต้นหนึ่งเห็นว่าดอกหลังนั้นหรือว่าต้นหลังนั้นหรื อ, อในหนึ่งที่เราเรียกกันว่าต้นสาละกําลังออกดอกชูชอบเบ่งบานก็ใกล้ที่จะใกล้ที่จะได้ดอกหลังนั้น ก็จึงได้ทรงพระหัตถ์ขวานั้นเหนียวกิ่งลังที่จะเด็ดดอกลังนั้นก็ปรากฏว่าลมกรรมชวาดหรืออาการประชวรธาตุที่จะประสูตรพระโอรสก็ได้เกิดขึ้นณที่นั้นพระนางก็ได้ประทับยืนพระหัตถ์เหนียวกิ่งลังหันพระพฤกษ์ดางคือบึ้หลังนั้นเข้าหาต้นลังใหญ่พิณพระพักไปทางทิศตะวันออก ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จึงพร้อมกันผูกม่านล้อมรอบต้นหลังนั้นทับอ่าล้อมรอบต้นลังนั้นตามมีตามเกิดเพราะในขณะกลางป่านั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไงเ <c oughs> มื่อล้อมรอบต้นหลังแล้วก็จึงได้ออกไปให้ขราชบริการบริวารที่เป็นหญิงเข้าไปช่วยประคบประงมในการที่จะประสูติพระราชโอรส ท่าได้อุดมานเลิกแล้วพระโพธิสัตว์ก็ประสูติจากพระคันมารดาซึ่งในวันนั้นเป็นวันเพนขึ้นสิบห้าค่ำแห่งเดือนหกที่เราเรียกกันว่าเพนวิสาขมาศพระองค์พระโพธิสัตว์ก็ได้ประสูติจากพระคั์ของพมารดาในเวลาสายใกล้เที่ยงซึ่งก่อนพุทธศตวรแปดสิบปี เมื่อพระโพธิสัตว์นั้นประสูตจิจากพระคันพระมาณดาแล้วยังไม่ทันถึงพื้นเท้าสุดท้า ว, วาดมหาพรหมก็เอาขายทองมารองรับและก็กล่าวถวายพระพรแก่พนางเจ้าสริมห า, มายาขณะนั้นท่อ น, น้ำร้อนและนำเย็นก็ไหลหลั่งลงมาจากอากาศ ตกลงมาโสรสงพระโพธิสัตว์และพระมารดา น, นั้นท้าจาัตุโลกบาลทั้งสี่ก็รับพระองค์จากเท้ามหาพรหมรองรับด้วยหนังเสือเหลืองอันอ่อนนุม่มซึ่งถือว่าเป็นมงคลขั้นแลนางนมทั้งหลายก็จึงได้เอาผ้าเนื้อดีพิเศษรองรับจากเท้าจัตุโลกบาลขณะนั้น พระโพธิสัตว์จึงเสด็จจากพระหัตถ์ของพระนางนมแล้วก็ลงเหยียดที่พื้นพัตธภพด้วยพระบาททั้งสองเทพเจ้ากกกางกันก้นเวกระชับถือพัดทิพวาระวีชนีถือฉลองพระบาทและเครื่องราชกุกตพันถวายเวลานั้นพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรไปทางทิศตะวันออกเห็นเทพเจ้า เทพพญดาและมนุษย์กระทำสการะบูชาแล้วพระองค์ก็ได้ทรงทอดพระเนตรไปในทิศทั้งสิบมิได้ทรงเห็นว่าผู้ใดจะเสมอเหมือนกับพระองค์จึงได้ทรงบ่ายประพักไปสู่ทางทิศอุ่นดรเสด็จดำเนินไปเจ็ดเก้าแล้วจึงได้เป่งสูรเสียงอันไพเราะดุดเสียงของเท้ามหาพรหมหรือว่านกกะเวก ซึ่งประกอบไปด้วยองค์แปดประการเสียงของท้าวมหาพรหมนั้นที่ประกอบไปด้วยองค์แปดประการนั้นก็คือหนึ่งวิสัตโธพระนามเสียงนั้นแจ่มใสสองวิญญโยวิญญาโยเสียงนั้นแจ่มใสแล้วก็ชัดถ้อยชัดคํา ไม่กลัวสามมัญชูหวานกล่อมใจสีสวนีโยสนสดห้าพินทูหยดย้อยหกอวิสาลีไม่เคลือไม่พลาไม่แหกเจ็ดคัมพีลังซึ้งและก็แปดนินนานทีมีกังวานลักษณะของเสียงของท้ามหาพรมนี้ มีแปดประการดังที่กล่าวนี้เสียงของพระมหาบุรุษนั้นหรือของพระโพธิสัตว์นั้นท่านกล่าวไว้ว่าเสียงชัดถ้อยชัดคําหรือที่เปล่งออกมานั้นเหมือนกับเสียงของเท้ามหาพรหมซึ่งประกอบไปด้วยเสียงที่แปดประการที่ว่านี้เลยประการหนึ่งนั้นท่านพระตรัตน์อาจารย์ทั้งหลายได้พรรณนาวไว้ว่าเหมือนกับเสียงของนกกระเวก ซึ่งนกกระเวกนี้ตามสัรพภาษาบาลีว่านกกระวิทว่าเสียงของนกกระเวงนี้ท่านในพระนาไว้ว่ า, วาแม้แต่ว่าเสือโคร่งหรือว่าเสือตนใดตนหนึ่งที่ขณะที่เคียเย้ยวเหยื่ออยู่หรือเคี้ยวอาหารอยู่นั้นเมื่อได้ยินเสียงนกกระเวกแล้วเพราะเสียงที่ไพเราะเพราะมาก เนื้อนั้นหลุดออกจากปากโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามีเสียงเพลาะมากแต่ว่านกกระเวกนี้เสียงเพลาะประชาชนทั้งหลายก็ได้ยินแต่เพียงเสียงแต่ไม่เคยรู้จักตัวดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายก็คิดกันว่าเราได้ยินแต่เสียงนกกระเวกนี้แต่ไม่เคยเห็นตัวว่านกกระเวกนี้จับตามกิ่งไม้หรือบนแผ่นดินใดแบบหนึ่งท่านนั้นได้ยินแต่เสียงที่ว่าอยู่บนท้องฟ้า เหนือเมฆไปแต่ไม่เห็นตัวก็จึงมาจินตนาคิดกันไปว่าแล้วอยู่ในบนอากาศนั้นจะกินอะไรเป็นอาหารเพราะในอากาศนั้นก็รู้สึกว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเป็นอาหารเลยก็มีความคิดกันว่าหรือว่านกตาลาเวกนี้ที่เสียงดังไพเราะนี้จะกินลมเป็นอาหารคือมีลมเป็นอาหารดังนั้นก็เมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วก็จึงได้ ตั้งชื่อนกกระเวกนี้อีกชื่อหนึ่งว่าวายุพักแปลว่าผู้มีลมเป็นอาหารสำหรับวายุพักนี้เราท่านก็พอจะรู้จักกันเนื่องจากว่าเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการคลังเนี่ยคือนกกรวายุพักท่านบอกว่าเสียงนั่นไพเลาะเพราะพิ้งมาพระมหาบุรุษนี้ จึงได้เปล่งอาสพิวาจาคือกล่าวอย่างอาถรรพ์ด้วยเสียงอันไพเราะเหมือนกับเสียงของเท่ามหาพลมหรือนกกระเว้ซึ่งพระดํารัสที่พระองค์ได้เปล่งออกมานั้นว่า ม, มีนั่นมีใจความว่าอัโคหัมมสมิโลกัสสะข้าพเจ้าเป็นผู้ที่เลิศในโลกเซเฉศ เ, เถหัมมสมิโลกัสสะข้าพเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก เทโธมัสมิโลกสะเข้าไปเจ้าเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนัตถิธานิปุนัปโวพบใหม่ไม่มีอีกแล้วคณะนั่นเองทั้งหมื่นโลกธาตุก็วันไวเกิดโอภาสแสงหว่างทั่วไปทั้งโลกเป็นที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งนัก ก็การที่พระโพธิสัตว์นี้ประสูติออกจากพระคันของพระมารดาแล้วก็สามารถเปล่งได้เปล่งพระวาจาพูดใดนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดรวมด้วยกันสามชาติด้วยกัน ค, คือหนึ่งพระชาติที่เป็นพระมโหสถซึ่งตามตำ น, นานกล่าวว่าเมื่อประสูติออกมาแล้ว พระอินได้นำเอาแท่งยานั้นมาใส่ไว้ในพระหักพระมารดาเห็นเข้าก็ถามว่านั่นอะไรลูกพ ร, พระองค์ก็จึงได้ต่ตอบไปว่านี่เป็นแท่งยาแล้วก็ยื่นแท่งโอสถนั้นให้กับพระมารดาบอกว่าให้ไปรักษาบุคคลที่ป่วยไขย้สามารถที่จะรักษาโรคได้ถึง96ชนิด นี่ในชาติที่เป็นโมโหสถเพราะฉะนั้นจึงได้ น, นา ม, ม, มว่าโมโหสถในประชาติที่สองนั่นก็คือในประชาติที่เกิดเป็นพระเวสสันดรซึ่งในขณะที่ประสูตรออกมาแล้วบนพระราชรถในระหว่างตรอกของพ่อคานั้นเมื่อพระองค์ประสูตมานั้นก็จึงได้กล่าวกับมารดาว่ามีทรัพย์อะไรบ้างที่พระแม่ติดตัวมาหม่อมฉันต้องการที่จะให้ทาน พระนามผู้ศีนั้นก็จึงได้มอบทรัพย์ที่ติดตัวไปหนึ่งพันกระหาพณะให้ในมือนี่เป็นชาติที่สองและในชาติสุดท้ายคือชาติที่เป็นสิทธะปุมาณนี้ก็ได้เปล่งอาบสพิวาจาดังที่กล่าวแล้วมีตามตอ น, นานกล่าวไว้ว่าสามารถที่จะพู้ที่จะเปล่งวาจาออกได้ในขณะประสูตรใหม่ๆนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งสามชาติด้วยกันในวันที่พระโพธิสัตว ประสูตินั้นต้องมีสิ่งที่เกิดร่วมกันในวันเดียวคือเกิดในวันเดียวกันนั้นมีอยู่ด้วยกันเจดสิ่งซึ่งเราเรียกกันว่าสหาชาติเจ็ดสหาชาติเจ็ดนั้นก็คือหนึ่งพนางพิมพาพนางพิมพาหรือพนางยาโสทลาซึ่งในต่อมานั้นก็คือเป็นพระเทวีของเจ้าชายสิทธัตถากุมารซึ่งเป็นพระราชโอรส การซึเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุภพุทธะกับพระนางอมิตาและต่อมานั้นพระนางพิมพาหรือยโสธลานีก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีในพระพุทธาศาสนาและก็ได้เป็นพระรห น, น์ิพพานก่อนพระพุทธองค์บอาบุคคลที่สองก็ได้แก่ท่านพระอนนท์เถระ ท่านพระอนนท์นี้เป็นพระโอรสเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโกธนะคือเป็นโอรสของพระเจ้าอาและท่านพระอานนท์นี่แหละมีความสําคัญมากต่อมาเป็นพุทธอุปถาจนตลอดชีวิตและท่านพระอานนท์นี่แหละหลังจากที่พระพุทธองค์ปณิพานแล้วได้ร่วมกระทำสังขยนาประถมสังขยนาครั้งแรกที่ถ้ำสัต บ, บนนรรณฑคูหาเวพาลบันพศเชิงภูเขาเวพาละพันพศที่ก ร, ะะรุงราชคฤือ พระนรินนับเป็นองค์สําคัญมากเป็นครั้งแห่งพระสูขแล้วพระอภิธรรมคนที่สามนั้นก็ได้แก่การุทายีอามาตการุทายีอามาตนี้ในขณะที่เป็นคราวญก็เป็นอามาตที่ใกล้ที่สนิทสนมกันมากกับพระพุทธองค์ในตอนหลังพระเจ้าสุโธทนนะก็ได้ใช้การุทายีายอามาตย์ผู้นี้แหละมานิมน <c oughs> มาทูณราตนาพระพุทธองค์ให้ไปปรดพุทธบิดาที่กรุงกบิลพัทรการุทายีผู้นี้ได้ทูลขออุปสมบทและก็ได้อุปสมบทแล้วเป็นผู้ที่ได้เดินทางล่วงหน้าบอกเล่าแก่ชาวประชาชนทั้งหลายถึงการเสด็จสู่กรุงกบิลพัทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุคคลที่สี่นั้นก็ได้แก่นายชนะอมรต์นายชนะอมรตผู้นี้ <c oughs> เป็นผู้ที่ตามเสด็จในค่ําคืนที่องค์สมเด็จพราองค์พระมหาบุรุษหรือพระโพธิสัตว์นั้นเสด็จออกบรรพชาและต่อมาก็ได้ บ, บวชในพระพุทธศาสนาส่วนบุคคลที่ห้านั้นก็ได้แก่ม้า ก, กันตกะ ม้าอาชาในเป็นม้าอาชาในซึ่งม้ากันากากนี่แหละพระองค์โพธิสัตว์นั้นก็ได้อาศัยขีย่หลังออกบรรพชาในค่าคืนวันนั้นจากกรุงกบิลพัทที่หกนั้นก็ได้แก่ต้นสีมหาโพหรือต้นโพที่พระองค์ได้นั่งตัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และก็ประการที่เจ็ดนั้นก็ได้แก่คุ้มทรัพย์ทั้งสี่มุมเมืองได้พุดขึ้นมาทั้งสี่มุมเมืองในวันที่พระโพธิสัตว์นั้นประสูติจากพระคันพระพุทธมารดาและคุ้มทรัพย์ทั้งสี่มุมเมืองนี้ก็ได้จมหายไปในวันที่เจ้าชายธิดาอุมาลออกบรระชาในค่ําคืนวันนั้นนี่เรียกว่าสหชาติเจ็ด คือสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันเดียวนั้นในเวลานั้นบรรดากษัตริย์สากยะทั้งสองพระนครอันมีพระเจ้าสุโธธนะมหาราชเป็นต้นเมื่อสนงข่าวทราบข่าวการประสูตมพระราชกุมารแล้วก็ต่างสนงพระปีติโสภัณเป็นอย่างยิ่งแล้วจึงในพร้อมกันแจกกระบวนแห่อันเชิญพระบรมสา อัครบรมโพโทิสัตว์และพระราชมารดากับกรุงกงบิลพัทในวันนั้นเองก็เป็นอันว่าจบปริเฉตที่สามเกี่ยวกับเรื่องขพระมิขมะ น, ามมานาวัตคือการประสูตรไ้แต่เพียงแค่นี้ขอความเจริญฟ้าสุขสวัส ด, ดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร เรินสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงแบบเรียนประถมสมโพอ์ต่อในปริเฉตที่สี่ว่าด้วยลักษณะปริคาหะกะปริวัิก็คือการถือหรือว่าการทำนายพรกษณะ ในลักษณะปริคาหากะปริวัตนั้นหมายถึงว่าตอนที่ว่าดโดยข้อกำหนดลักษณะซึ่งในที่นี้ก็ได้แก่ลักษณะพิเศษที่แสดงว่าผู้มีลักษณะเช่นนี้จะได้เป็นอัคารมหาบุรุษของโลกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามหาปุริสลักษณะในวันที่พระพูธธสัต์ประสูตินั้น มูเทพพระเจ้าทั้งหลายมีเท้าสกเทวราชเป็นต้นต่างก็มีความยินดีชื่นชมสแสดงความมั่นใจว่าพระราชโอรสแห่งพระเจ้าสิริสุทธทนะมหาราชพระองค์นี้แหละจะได้ตรสัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนเย็นวันนั้นเองกาลเดวินดาบทหรือเรียกอินนายนหนึ่งว่าอสิตาดาบท ซึ่งเป็นพร ะ, ะ, พระดาบทประจําราชสกุลที่เราเรียกกันว่ากุลุปกะเป็นผู้คุ้นเคยกับสากยตรกูลเป็นอันมากก็สิตาดาบทหรือว่ากาลเดวินดาบทนี้ที่เหตุที่เป็นผู้คุ้นเคยกับศากยศสกุลนี้ก็เพราะเหตุว่าในตอนที่พระเจ้าศรีห า, หานุ ยังคลองลาดเป็นพระราชาแห่งกรุงกบิลพั์อยู่นั้นกาลเดวินดาบทผู้นี้ได้เป็นปุโรชิตาจารย์คือเป็นผู้แนะนำสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมหรือประเพณีต่างๆแก่พระเจ้าศีหาหนุเมื่อพระเจ้าศีหาหนุนี้ได้ที่วงคตไปแล้วพระเจ้าสุโธธนะ ได้ครอบครองเป็นพระราชาต่อไปแต่ว่าพระเจ้าสุโธธนะนี้ไม่ได้ให้ความยกย่องนับถือการเดวินดาบทนี้เท่ากับพระเจ้าสีหานุการเดวินดาบทภูนี้ก็จึงได้น้อยใจแล้วก็จึงได้ทูลลาออกจากตำแหน่งพรโรหิตตาจาย์แล้วก็ได้ไปถือเพศบวชเลือบบวชเป็นฤาษีเป็นดาวบท บำเพ็ญฌานอยู่ที่ภูคาที่ป่าหิมพานนั่นจนกระทั่งได้บรรลุสมาบัตทั้งแปดสมาบัตทั้งแปดนี้ก็ได้แก่รูปฌปานสี่อรูปฌานสี่รวมแล้วเรีย ก, กว่าสมาบัตแปดเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากท่านได้สดับข่าว ว่าพระเจ้าสุดพระราชโอรสของพระเจ้าสุดโทธนะได้ประสูตดแล้วก็จึงได้สเสด็จเข้าไปจึงได้เข้าไปเยี่ยมจึงได้เข้าไปเยี่ยมพระเจ้าสุดโทธนะก็จึงให้เชิญพระราชโอรสมาเพื่อจะนมัส ก, การพระดาบท ขณะนั้นเองพระราชโอรสกลับยกพระบาททั้งสองขึ้นวางบนชนดดาของดาบทเป็นทินามหาหัศจันพระดาบทเห็นเช่นนั้นแล้วก็สะดุ้งพระทะัยก็สะดุ้งใจมีความประหลาดใจจึงมีความดำริว่าเราไม่ควรจะทำตนของเราเนี่ยให้พินาศไปเสียก็จึงได้ลุกขึ้นจากอาสนะคุกเขา่า ลงถวายบงโคมพระบาทของพระโพธิสัตว์พระเจ้าสุโธธนะทอดพระเนตรเห็นสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นก็มีทรงมีพระปีติเป็นล้นพน้นมีความเข้าใจพระโอรสของตอนนั้นเป็นดุลเท้ามหาพรหมจึงได้ยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการจึงได้ยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการพระโอรสของพระองค์ ส่วนกาลเดวินดาวดบทนั้นได้เห็นลักษณะของพระโพธิสัตว์แล้วก็ทราบได้ทันทีว่าจะได้ตัสลูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่เพราะเห็นว่าพระโพธิสัตว์นี้บริบูรณ์ไปด้วยมหาปริศลขณะทั้งสามสิบสองประการคือลักษณะของมหาบุรุษก็จึงได้ทราบชัดว่าจะได้ตัสลูเป็นอาจจะได้ตัศลูพระสัพพัญญุตยานอย่างแน่นอน ก็จึงแสดงอาการที่ยิ้มมาด้วยความดีใจแล้วก็พิจารณาดูชีวิตของตนเองว่าจะได้อยู่ทันเห็นพระราชโอรสนี้ตัสรูปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าตนนี้ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ไดถึงเห็นว่าตนนั้นจะต้องสิ้นชีพไปและไปเกิดในอรูปภพเสียก่อน ไม่มีโอกาสได้ทันเห็นแน่แล้วก็บุคคลที่เกิดในอรูปภพนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าทั้งร้อยพระองค์ก็ไม่มีโอกาสหรือว่าไม่ไม่สามารถที่จะไปโปรดไปโปรดได้ชื่อว่านับได้ว่าตนเองนี้เป็นผู้ที่เสื่อมจากลาภอันยิ่งใหญ่หรือจากอุดมรมะาลาบคือมรรคผลนิพพานคิดแล้วก็นา่าเสียดายนักก็จึงได้ร้องให้ขึ้นมาในขณะนั้น พระเจ้าสุโธธนาเห็นแล้วทรงประทอดพระเนธเห็นเขาแล้วก็ทรงหลากพระไทยพร้อมด้วยราชบริพานเห็นอาการของดาวบทแล้วก็หลากพระไทยอย่างมากก็จึงได้ตรัสถามถึงเหตุที่ดาวบทหัวเลาะแล้วก็ร้องไห้หรือเหตุที่ดาวบทนั้นยิ้มแล้วก็ร้องไห้ว่าเป็นเพราะเหตุดังเพเพราะเหตุอะไรพระดาวบทนั้นก็ถวายคําชี้แจงให้ทราบเหตุทั้งสอง ให้ทราเพียทั้งสองขั้นแล้วพอเวลาสมควรก็จึงได้ทูลลาถวายพระพรลาพระเจ้าสุโธธนะในกลับเมื่อกลับออกมาแล้วก็คิดได้ว่าตนเองนั้นมีหลานชายอยู่คนหนึ่งชื่อวนาลกศึกษซึ่งขณะนี้นารกศกษนั้นเพิ่งอายุได้หกขวบได้เจดขวบเท่านั้นจะเป็นผู้ที่มีโอกาสได้พบเห็นพระโพธิสัตว์ ตอนที่ตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นก็จึงได้ตรงเมื่อออกจากราชสานักแล้วก็จึงได้รีบตรงไปอย่างบ้านของน้องสาวของตัวเองแล้วก็เรียกนาลกะผู้เป็นหลานเข้ามาแล้วก็ได้แจ้งเหตุว่าพระราชโอรสของพระเจ้าสุธโธธนะพระมหาราชองนี้เป็นพระโพธิสัตว์จะได้ตัดสู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนและได้ว่ากล่าวแล้วก็ได้กล่าวว่าตนเองนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ทันเห็นแต่ส่วนเจ้าจะมีโอกาสเพราะฉะนั้นเจ้านั้นจงบวชคอยจงบวชคอยเวลาที่พระโพธิสัตว์นั้นจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นจึงให้หลานชายคือนราักกาั้นบวชเป็นดาบวคอยตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ แต่หลานชา ย, ายฝ่ายฝ่ายล้านชายคือ น, นาลกะนั้นเป็นคนที่ได้สั่งสมกุศลบารมีมาเป็นอันมากก็เชื่อคำของลุงลงผมเสียแล้วก็จึงได้นุ่งหมผ้ากาสาวพัดอธิษฐานเพศบรรพชาโดยอธิษฐานว่าท่านผู้ใดเป็นอุนดมบมุคคลในโลกข้าพเจ้าขอบรรจพบรรชาเฉพาะ สำนักของท่านผูนั้นแล้วก็บ่ายหน้าไปยังทิศอันเป็นที่สถิตของพอรมพบรมโพธิสัตว์คือพระราชวังนั้นนมัสการนมาสการด้วยเบญจางข้าบดิษแล้วสภายบาทออกจากเคหสถานไปเจริญธรรมอยู่ยังป่าหิมพานต์นี่นาลกะเถนะนาลกะหลานชายนั้นอายุ เพียงเจ็ดขวเท่านั้นได้บวชคอยพระโพธิสัตว์เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ห้าวันพระเจ้าสุโธธนะมหาราชมีพระราชประสงค์จะประกอบพระราชพิธีมงคลถวายพระนามพระราชโอรสจึงได้รับสั่งให้ตกแต่งพร ะ, พ ร, ะราชวังสถานที่ประกอบพิธีตลอดทั้งอาหารทุกอย่างไว้ให้พร้อม แล้วก็รับสั่งให้เชิญกริสัพลามคระห บ, บดีอำมาตราชมนตรีทุกมู่เราเข้ามาประชุมพร้อมกันในพระราชวังในพระราชวังแล้วก็รับสั่งให้เชิญพลามผู้จบไตรเพศจำนวนถึงหนึ่งร้อยแปดท่านมาบริโภคอาหารมาบริโภคข้าวมัทุปะยา ในบรรดาพรามทั้ง1้อยแปดคนนี้เป็นพรามที่สำเร็จไตรเพศตามลทัทธิของพรามทั้งนั้นซึ่งไตรเพศนี้เป็นคำพีของพรามก็มีอยู่สามคำพีด้วยกันก็คือหนึ่งลึกคเวศสองสามมาเวศแล้วก็สามยะชุระเวศลึกคเวศนั้นเป็นคำพีคำพีหนึ่งซึ่ง แต่งเป็นคำฉันร้อยกรองคำอ้อนวอนและบวชและบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าสามเวทเป็นคำพีนหนึ่งซึ่งร้อยกรองขึ้นเป็นคำฉันเพื่อสวดในพิธีถวายน้ำโสมแด่พระอินทร์และขับกล่อมเทพเจ้าน้ำโสมนี่ก็คงจะเป็นน้ำสุลา ซึ่งบางครั้งเราได้ทาการสังเวยทวยเทพเทว ด, ดาทั้งหลายก็มีน้ำโสมอยู่ด้วยคือน้ำสุราอยู่ด้วยสามคำพียะชุลเวทเป็นคำพีที่แต่งขึ้นเป็นคำร้อยแก้วซึ่งกล่าวถึงพิธีกรรมต่างๆและพิธีบวงสวงเทพเจ้าต่างๆเช่นว่าในการบวงสวงเทพเจ้านี้จะต้องมีสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นมีเข้ตอกดอกไม้ แล้วก็จะต้องสวดมนต์บทนี้หรือสวดบทสวดบทนี้นี่เป็นแบบที่เรยวกว่าเป็นพิธีเป็นศาสนพิ ธ, ธีพรามทุกคนนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาในตระกูลพรามจะให้เป็นพรามเต็มตัวใด น, นั้นจะต้องเรียนจบถึงไตรเพศทั้งสามประการนี้เมื่อจบแล้วจึงจะได้มีการพิเศษวั มีการศึกษาจบแล้ะอิประการดังนั้นพราหมณนี้จึงถือ ว, ว่าเกิดสองครั้งที่เราเรียกกันว่าพราหมนาทิชาชาติแปลว่าท่าพราหมณ์ที่เกิดมาสองครั้งพรามณนี้พวกพราหมณ์นี้ท่านกล่าวไว้ว่าคนที่เป็นพรามณ์แท้ๆนี้ก็เหมือนกับนกหรือไก่เหมือนกันคือพวกนกสัตว์ปีกหรือพวกไก่นี้จะเกิดนั้นก็เกิดอยู่เกิดสองครั้งเหมือนกัน คือพวกนกหรือไก่นี่ครั้งแรกก็เกิดออกมาเป็นไข่ก่อนและจาวเป็นไข่แล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวนี่เรียกว่าเกิดสองครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อเขาแต่งเป็นบทกลองเขาถึงใช้คําว่าสกุณาทิชาชาติแม้แต่พรามวนี่ก็เหมือนกันก็เกิดสองครั้งคือครั้งหนึ่งนั้นน่ะเกิดจากวันณนะที่วันณะพราหมณ์คือพ่อก็เป็นพราหม์ แม่ก็เป็นพรามนี่ถือว่าเป็นบริสุทธิ์โดยการเกิดนีประการนี่บอ เ, เกิดครั้งหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือต้องเรียนจบไตรเพศถึงจะเรียกว่าเป็นพรามเต็มตัวเรียกง่ายๆว่าเป็นที่นับถือเคารพนับถือของบุคคลในวันน้าอื่น ค, คล้ายๆกับพระเหมือนกันดังนั้นพระเจ้าสุโธทนนี้เมื่อจะกระทาวิธีอันเป็นมงคล น, นั้นก็จึงได้อัญเชิญพราม ซึ่งเรียนจกไตรเพศที่เรียกว่าทิชาพราหมณ์หรือสมนาทิชาชาติพราหมณนาทิชาชาติเหล่านี้มาถวะมาบริโภคอาหารเหมือนกับเลี้ยงพระเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันจำนวนถึงร้อยแปดท่านด้ยวยกันและเมื่อบริโภคอาหารแล้วพราหมณ์ในจำนวนทั้งร้อยแปดท่านนี้ก็จึงได้เลือกคัดกันเองเลือกพราหมณ์ที่มี ที่ทรงคุณวิวิทยาคุณอันพิเศษเกี่ยวกับเรื่องว่าสามารถทํานายลักษณะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นหมอดูทํานายลักษณะได้ก็เลือกคัดเอาในบรรดาพราหมณ์ร้อยแปดคนนั้นเหลือเพียงแปดคนเท่านั้นซึ่งเอ า, เอาซึ่งไปสําหรับทํานายพลศึกษณะพราหมณ์แปดคนที่ได้รับเลือกในการที่เป็นผู้ทํานายลักษณะนั้นก็คือหนึ่ง ลามาพรามสองลักษณะพรามณ์สามยันยะพราม 4. ์สี่ธุละพราหมณ์หรือชุทะพราม 5. ์ห้าโพชะพราม 6. ์หสุทัตตะพราม 7. ์เจดสยามะพราม์แลวก็แปดโกนธัญยพราม ในทั้งแปดท่านนี้ต่างท่านต่างก็ได้ดูลักษณะของพระพุทธองค์ของพระโพธิสัตว์ตรวจดูแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วนเห็นว่าอาการของพระมหาบุรุษนี้เต็มไปด้วยมหาปุริสลักษณะสามสิบสองประการกับอนุพยัญชนะอีกแปดสิบประการ เมื่อได้ตรวจตรากันอย่างที่อธิทั่วนี้แล้วในบรรดาพรามทั้งแปดคนนั้นพรามเจ็ดท่านเดยกันคือเว้นโกนธัญญาพรามเพียงคนเดียวเท่านั้นได้ชูนิ้วขึ้นสองได้ชูนิ้วขึ้นสองนิ้วเมื่อพิจารณาแล้วที่ได้ชูนิ้วขึ้นสองนิ้วนั้นก็คือว่าทูลทํานายว่าพระราชกุมาร น, นี้มีคติเป็นสองประการเดียกัน คือถ้าจะคือ ถ, ถ, ถ, ถ้าหากอยู่เป็นคารวาตัตจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีทวีปทั้งสี่ทวีปใหญ่ใทั้งสี่เป็นขอบเขตและทวีปในน้อยอีกสองพันเป็นขอบเขตอยู่ในพระราชอาณาจักรก็คือว่าพระเจ้าจากักรพรรดนี้ก็คือเป็นเจ้าโลกนั่นเองปกครองโลกนี่ในฝ่ายของทางบ้านเมืองในฝ่ายของทางธรรมนั้นพระเจ้าจากักรพรรดนี้จะได้สอนธรรมะแก่ประชาชน นี่เป็นประการอี่ประการหนึ่งถ้าหากออกบวชจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธทียานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนจึงได้ทายคติเป็นสองประการคือหมายความว่าพระมหาบุรุษนี้หรือพระโพธิสัตว์นี้จะอยู่เป็นครวะก็เป็นใหญ่แต่จะบวชก็เป็นศาสดาเอกของโลกจะไปในวิธีทางไหนได้ทางนั้น แต่โกนธัญญะพรามนี้ในบรรดาแปดคนนั้นนับว่าเป็นพรามที่เด็กกว่าเขาหมดอายุอ่อนอายุน้อยกว่าเขาหมดเมื่อได้คำนวณอย่างถี่ถ้วนแล้วยกนิ้วเพียงนิ้วเดียวเท่านั้นแล้วก็ได้ทำนายเป็นคติเดียวว่าพระมหาบุุษผู้นี้จะต้องออกบวชอย่างแน่นอนคนเช่นนี้ไม่อยู่คลองเลาละ จะต้องเสด็จออกบรรพชาแล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนไม่มีทางอื่นนี่ได้ทำนายไปอย่างนั้นพระมหาบริศลักขณะสามสิบสองประการนั้นก็มีคำมีว่ามีพื้นเท้ามีพื้นฝ่าพระบาททั้งสองเสมอกันเป็นอันดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะนำมากล่าวในที่นี้ก็รู้สึกว่า จะต้องใช้เวลามากพร้อมทั้งอนุพยันชนะคือลักษณะพิเศษเ ล, เล็ ก, ลกลๆในน้อยอย่างละเอียดทีละเอียดทีท่วนอีกแปดสิบประการด้วยเพราะนั้นขอให้ท่นรรถถานนักศึกษานั้นตรวจดูรายละเอียดจากประมมาสมโพธิฉบับพิสดารเมือ่อได้ทำนายลักษณะของพระราชะกุมาร ทั้งสองแต่พระราชกุมารเสร็จแล้วก็จึงได้ถวายพระนามถวายพระนามของพระราชกุมารมีด้วยกันสองพระนามด้วยกันพระนามหนึ่งถวายพระนามว่าพระอังคีรสพระนามว่าวังคีรสเพราะเหตุที่ว่า พระราชกุมารนี้มีพระสมีแผ่ซ่านออกจากพกระวรกายมีพระสมีแผ่ซ่านออกจากพกระวรกายนั้นประมาณวันหนึ่งโดยรอบเป็นปกติเพราะฉะนั้นจึงได้ถวายพระนามว่าพระอังคีรถนี่ประการหนึ่งอีกพระนามหนึ่งพรามทั้งหลายนี้ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า รมหาบรุษรหรือพระโพธิสัตว์นี้ในเมื่อต้องการสิ่งหนึ่งประการใดแล้วสามารถที่จะบรรลุหรือว่าทำจนสำเร็จทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็จึงได้ถวายพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะแปลว่าผู้มีความมีประโยชน์หรือมีความต้องการสำเร็จทุกอย่าง อันนี้เราจะเห็นได้ว่าพระนามนี้เป็นพระนามที่ถูกต้องหรือว่าแน่แท้อย่างอย่างมากเมื่อเราพิจารณาถึงในอนาคตการของเรื่องนี้ว่าพระองค์นั้นต้องการที่จะแสวงหาโมระธรรมพระองค์ก็ทำจนสำเร็จแม้กระทั่งเลือบที่ว่าจะเอาชีวิตมิหลง ในการที่บำเพญ็ญทุกรกริยานั้นแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็สามารถเอาจนสาเร็จได้ประสรุอนุตรสัมมาสัมพุทียานได้ก็จึงเป็นอันว่าได้ถวายพระนามไว้สองพระนามอย่างนั้นแต่พระนามทั้งสองพระนามนี้ปรากฏว่า ม, ม, ม, มิค่อยมีใครนั้นนิยมเรียกกันมากนะมักจะนิยมเรียกชื่อโคดคือโคตมะ ร้อเหตุที่พระองค์เกิดในโคตมโคตโคตมโคตนี้ถ้าจะอ่าพูดง่ายๆคือว่านาสกุลคือในประเทศอินเดียนี่แม้จะเป็นชาวเอเชียเดียกันก็ตามแต่ว่ามีคติหลายอย่างเหมือนก็ชาวยุโรปคือนิยมเรียกชื่อโคตมากกว่าชื่อตัวเหมือนกับชาวยุโรปนั้นนิยมเรียกชื่อโคตมากกว่าชื่อตัวไม่นิยมเหมือนกับเรียกชื่อ ตัวเองเหมือนกับชาวไทยเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจะได้นามได้ยินพระนามของพระองค์ว่าพระสมณะโคโดมเสมอจะไม่มีใครเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระนามวา่ธธาสิทธะหรือพระอังคีรสสำ ม, มาตพุทธเจ้าทลาย น, นะพระนามวาอังคีรสนี้จะมีปรากฏอยู่นั้นไม่มากนะเช่นในอาตานาติยะปรลิตหรืออานาติยะสูตรนั้นแต่นอกนั้นเราจะได้เห็นว่าปรากฏแต่พระนามว่าโคตมะเท่านั้น นี่ก็เป็นอันว่าจบในปริเฉตที่สองอ่าปริเฉทที่สี่เกี่ยวกับเรื่องลัคนาปริฆะปริวัติปริเฉตที่สี่คือการทำนายลักษณะและก็ตั้งพระนามส่วนในปริเชตที่ห้านั้นว่าด้วยราชาพิเศษ ในราชาพิเศษนี้หมายถึงว่าตอนที่การอภิเษกสมรสของเจ้าชายสิทธัตถะพระโพธิสัตว์กับพนังยะโสธลาหรือพิมพาพนางยะโสธลาหรือพิมพานี่มีในปริเชษที่ห้าเนื้อความในปริเชษที่ห้านี้ก็มีว่า เมื่อพระนางเจ้าสตรีมหามายาราชเทวีนี้ขั้นประสูติพระโอรสได้เจ็ดวันแล้วก็ทิววงคตขึ้นไปเกิดในดุสิตเทวโลกตามประเพณีของพุทธมารดาพระเจ้าสุโธธนนั้นก็จึงได้จัดสรรพี่เลี้ยงนางนมมาให้คอยอภิบาลบำรุงสงสารพระโพธิสัตว์ แล้วก็มอบให้อยู่ในความดูแลของพระนางเจ้าประชาบดีพระราชเทวีอีกพระองค์หนึ่งซึ่งพระนางเจ้าประชาบดีพระราชเทวีนี้ก็เป็นพระคนิษฐาพระคินีของพระนางเจ้าสลีมหามายาราชเทวีนั่นเองคือเรียกว่าเป็นพระเจ้านณก็การที่พระนางเจ้าสลีมหามายานี้ที่วงคตในเมื่อประสูติพระราชโอรส ได้เจ็ดวันนี้ท่านกล่าวว่าเป็นพุทธธรรมดาเป็นพุทธธมอ่าเป็นเป็นเป็นเป็นอ่าเป็นเรื่องธรรมดาของพระพุทธมารดาคือพระพุทธมารดานี้เมื่อประสูติพระราชโอรสเจ็ดวันแล้วจะต้องที่วงคตเพราะเหตุวันหนึ่งพระคันของพระพุทธมารดานั้นคือครันของหญิงที่เป็นพุทธมารดาให้เป็นที่อาศัยเกิดของพระโพธิสัตว์ที่จะตักเป็นพระพุทธเจ้านั้น เป็นของสูงเป็นของที่น่าเคารพกราบไหว้บูชาดังนั้นไม่ควรที่สัตว์อื่นนั้นจะมาร่วมเกิดอีกถือว่าเป็นเหมือนกับห้องที่บรรจุพระเจดีย์อันเป็นที่เคารพสการละบูชาจึงไม่ควรที่จะเอาไว้สิ่งอื่นอีกนี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธมารดานี้ มิควรที่จะร่วมหลับนอนกับบุรุษอื่นแม้บุคคลนั้นจะเป็นพระราชสวามีหรือเป็นพุทธบิดาก็ตามดังนั้นก็จึงได้ที่วงคตหนีไปเสียนี่เป็นหลักข้อที่สองประการที่สามนั้นในหลักประการที่สามนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าพระนางเจ้าสลีมหามายานั้น พระชีวิตของพระองค์หรือพระชนของพระองค์นั้นมีมาแค่นั้นก็เพราะเหตุที่ว่าพระนางนั้นตอนที่เสด็จที่วงคตนั้นพระชนมายุประมาณห้าสิบหกปีเนื่องจากตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าพระนางนั้นได้ทรงครรเมื่อมัชิมะไวยผ่านไปแล้วสองส่วน เพราะฉะนั้นมัทิมะวัยผ่านไปแล้วสองส่วนนั้นก็อยู่ในลาวอายุห้าสิบหกปีก็นับว่าอายุห้าสิบหกปีนี้ก็ครึ่งอายุไขแล้วเกินครึ่งอนุวขัยแล้วจึงว่าไม่น่าจะเป็นการที่เสด็จสวรรคตเร็วเกินไปไมิได้สวรรค์คดเพราะเหตุที่ว่าทรงประสูดพระราชโอรสเอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัทและนักศึกษาทั้งหลาย วันนี้ขอจบไ้แต่เพียงแค่นี้ขอความเจริญพาสุขสขวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกทุก ท, ท่านด้วยกันขอเจริญพร